เมื่อวานหลวงพ่อไปงานวางศีลาะเลิกสร้างเจดีย์หลวงปู่แนนวัดํำขามทำยาววงหลวงตามารับผ้าป่าและก็แสดงธรรมเมื่อวานบ่ายโมงพี่น้องประชาชนก็มาจากหลายถิ่นฐานแต่หลวงตาพอมาถึงเลิกไม่ได้พักเลยได้ขึ้นทรมาดเลย อายุ93ปีจะเขาเ้าบพอมาถึงก็ขึ้นทรมาศจากนั้นเขาก็กล่าวรายงานความเป็นมาจากนั้นองค์ลงตาก็แสดงธรรมแสดงธรรมอยู่4ี่สกวนาทีเมื่อวานเทศนานพอสมควรนะแต่คนก็ฟังฟังดีมากนะเวลาลงตาพูดตรงตาแสดงธรรม สังเกตอยู่ในสถานที่ไหนๆคนจะอยู่ในความสงบเป็นส่วนมากเลยนั่งฟังนิ่งคือฟังด้วยความสนใจฟังด้วยความตั้งใจท่านเทศประมาณ4ี่วิกนาทีแต่เมื่อวานท่านจะเน้นหนักเรื่องฝ่ายไปทางพระก็พระก็เยอะอยู่ต่านก็เลยเน้นมาทางภาคปฏิบัติเมื่อวาน จากนั้นก็ถวยายผ้าป่าพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็รีบออกมาเหมือนกันมาเยี่ยมมรณะ น, นุสติโยมเคยรู้จักหลวงพอ่อตั้งแต่นู่นตั้งแต่รเริ่มสร้างวัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับสร้างสะพานของวัดเราเ น, น่เป็นผู้เฒ่าอายุ เกือบจะเข้าแปดสิบแต่วก็แข็งแรงดีนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บผู้ชายพอจะเป็นมาปุกปับปวดที่ท้อง mm hmm. อเพราะโรงพยาบาลไม่ถึงไม่ข้ามวันตายเลยสาเหตุเพราะว่าเส้นเลือดอยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้แตกเส้นเลือดใหญ่แตกนี่แหละ ความตายเนะีย่ยจะไปไว้นิ่งนอนใจไม่ได้มรณะนังเมภาวิสติให้ระลึกไว้อยู่เสมอไปที่ไหนอุนโยมคนนี้บิดาสอนให้คนออกกำลังกายโอ้ออกกำลังกายเอาจริงๆนะไปที่ไหนไหนมาวัดหลวงพ่อกสอนคนแก่ แต่ร่างกายของเขาแข็งแรงจริงๆงั้นดูๆแล้วกำยำแข็งแรงแต่ที่ไหนได้มันมรณงเมภาวิสติตัวนี้มันไม่ได้เลือกคนแข็งแรงไม่แข็งแรงไม่เลือกว่าหมาไม่เลือกว่าคนไม่เลือกว่าสัตว์ตัวไหนเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นเดินไปวินทบาดเขาเอาผ้ารองหมากำลังเป็นหนุ่มถ้าเป็นเด็กก็ประมาณสัก ยี่ิบกว่าปีเนี่ยพะหลวงพ่อเห็นแต่แต่มันเป็นเด็กเมื่อกี้เด็กมันร้องคางควนคางเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยถามว่ามันเป็นอะไรบอกว่าหมามันเป็นง่อยเหมือนกนอ่ะมันทําไมมันเป็นง่อยรถชนมันใช่ไหมว่าไม่ใช่อยู่ดีดีวิ่งดีๆเนี่ยมันล้มลงเลยเป็นง่อยเด็กได้แต่คอตัวมันขยับไม่ได้เลยนะ มันไม่ว่าแต่คนหมามันก็เป็นง่อยได้เหมือนกันเนาะฮะเออมันคงจะเส้นเลือดแตกในสมองอย่างคนก็ไม่รู้ลนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วกระดุกกระดิกไม่ได้เลยอนยะ่างั้นแข้งขาทั้งสีข่ขาของมันนะเออกระดุกกระดิกได้แต่หัวก็ล้องอล้องหาความช่วยเหลือจากให้คนช่วยมันเหมือนั้นมันกระดุกกระดิกไม่ได้นะแลอนี่นแหละวความเก็บใครได้ป่วยไม่ได้เลือกว่าใคร ไม่ได้เลือกว่าหมาไม่ได้เลือกว่าคนไม่ได้เลือกว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนั้นเกิดมาชาติพิทุกขาชราปิดทุกขามรณะพิทุกขังพญาที่ปิทุกขามรณะปิทุกขังเกิดเป็นทุกแก่เป็นทุกเจ็บไข้เป็นทุกตายเป็นทุก มันโกรธเบียนอยู่อย่างนี้แหละเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะนั้นครูบาอาจารย์เท่านั้นว่าให้เตรียมตัวเไว้ต อ, ต, อ, ต, อ, ต, อต่เตรียมตัวเไว้ตเตรียมตัวตาย ต, ต, ต, ต่อต่นี่แหละชีวิตของคนเรานะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนหยดน้ําบนใบบัวไม่รู้จะตกวันไหนไม่รู้จะกลิ่งตกวันไหน มันกลิ่งไปกลิ่งมาถ้าพวกเราสังเกตดูใบบัวเอาน้ําปิดน้ําขึ้นไปสักสองาหยดมันจะเป็นรวมกันในน้ํารวมกันเสร็จแล้วมันก็กลิ่งไปกลิ่งมากลิ่งไปถ้ามลมมาพัดเมื่ อ, อไหรก่ก็เอียงไปทางไหนมันก็ตกไปทางนั้นชีวิตของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นเหมือนหยดน้ําบนใบบัวไม่รู้จะกลิ่งตกเวลาใดไม่มีใครรับประลองไม่มีใครรับรองไม่มีใครรับประกันได้ เพระนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอสั่งสมคุณงามความดีไว้อยู่เสมอคนที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจแล้วมีบุญกุศลในจิตใจแล้วจะไปเกิดในภพภูมิใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสบาย อ, อกสบายใจเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ไปเลือกเกิดได้เหมือนกับเรา ออกจากบ้านไปแล้วมีเงินในกระเป๋าอย่างนั้นอะ่ะเราจะไปเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนก็ได้มีบัตรเครดิตมีบัตรรูดมีเงินอยู่ในธนาคารเราไปเห็นเครื่องบินเราชี้เครื่องบินเลยก็ได้เอาเครื่องบินเครื่องนี้ละเอารถยนต์คันนี้ละได้ทั้งนั้นเพราะเรามีเงินถ้าเราไม่มีเงินไปที่ไหนหน้าม่อย เ, อเพอเพอไม่มี เงินติดกระเป๋ามันหิวจัดทำยังไงพอเห็นพอเผอเผอคนถ้าเห็นคนมากก็ไม่กล้าอายคนพอเผอเผอคนไปเขี่ยทั้งขยะกินหลวงพ่อไปเห็นเนี่ยเด็กตัวเล็กๆคงจะกำพ้าพ่อแม่ก็ไม่รู้ล่ะไม่รู้คนเด็กไทยเล็กเขมรก็ไม่รู้หรอว่างี้นั่อะหลวงพ่อเดินลงมา คนก็หนีเกือบหมดแล้วมันเพราะมันค่าไปเด็กเขีย่ยถังขยะหากินหลวงพ่อก็เห็นแล้วโอ้ฝังใจไม่ลืมกระทั่งเดี๋ยวนี้เหมือนกันเราก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นลูกน้องของเราลูกศิษย์พวกโย ง, อ, งออกไปไกลแล้วเยถ้ามันอยู่แถวนะั้นหลวงพ่อก็จะเอาให้แต่มันก็ตัวเล็กเกินไปมันจะรู้จักใช้เงินหรือเปล่ปาก็ไม่รู้ไปขึ้นไปไปีนขึ้นไปถังขยะเอาหัวหย้อนลงไป ไปเคี่ยวหาอาหารกินตัวดำๆซะโอ้สัตว์ตะวโลกเนาะนี่แหละถ้าว่าเกิดพบใดชาติใดทําไม่มีบุญก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สั่งสมบุญการสั่งสมบุญนาสุขมาให้ไปในะสถานถิน่นใดก็เอาทำบุญทําทานไปเมื่อมันมีอย่าไปขี้ตนันีทีเนียวจนเกินไปทํามันไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ทำไม่มีแล้วก็อย่าทำถ้าทําแล้วมันจะเดือดร้อนอย่าทำถ้าทําไปแล้วไม่เดือดร้อนเพียงแต่หวงหแหนกีตนีทีเหนียวเฉยๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเสียสละทําทบุญทําทานไปบ้างเพื่อบุญกุศลเพื่ออนาคตมันตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างทิ้งหมดอย่างคู่เขาตายไปก่อนพวกเรานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่างคนต่างตายต่างคนก็ต่างทิ้งไป เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ต้องว่าเป็นของเขาแน่นอนใครไปแตะไปต้องก็ไม่ได้ห่วงแหนแต่พอตายแล้วยัดใส่มือให้ก็กำไม่ได้ยัดใส่ปากอีกไปถึงปลายชาไปเผาที่นั่นกเหรียญห้าเหรียญบาทก็ตกในกองไฟกองฟืนที่เขาเผานะั่นเอาไปด้วยไม่ได้อีก <c oughs> นี่แหละชีวิตของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการส่งสมบุญทนานะจึงเข้าไหลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา คนนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านถึงสอนให้รู้จักการ เ, เสียสละทาบุญทำทานให้ทานเนอะรักษาศีลเนอภาวนาเนอะ น, นี้กันเนี่ยให้การทำบุญอย่างเมื่อวานหลวงพ่อไปก็ เ, เตรียมไปถวายธรรมเทศนาขององค์หลวงตาทำบุญกับองค์หลวงตาเนอะทำบุญ เกี่ยวกัสร้างเจดีย์ของหลวงปู่แนนเน้อทำบุญไปหว่านพืชลงเนื้อนามบุญที่ดีบุญกุศลก็จะงอกเงยขึ้นมาให้เราได้เก็บผลงอกเงยจากบุญกุศลนั้นๆแต่ว่าการทำบุญทำกุศลอย่างหลวงพ่อเคยพูดเราจะมุ่งหวังว่าบุญกุศลทำที่เดียวจุดเดียวมันก็คงจะยากอย่างองค์หลวงตานี่ย ท่านก็ทําบุญท่านก็หวานไปเรื่อยลงตาหวานโลงเพยาอวาลหวานโรงเรียนหวานคนเท่าคนแก่หวานให้หมูให้มาพี <ekkür> ่โกงพีการลงตาหวานไปเรื่อยท่านมีเพราะท่านมีนะท่านก็หวานไปเรื่อยถ้าหวานหลายเม็ดหลายเม็ดต่อหลายเม็ดเม็ดข้าวใช่ไหมล่ะมันก็ตกใส่หินบ้างตกจากหินดานบ้างตกลงน้ําบ้างตกในที่ลุ่มบ้างอก่อนที่จะหวานท่านก็มองแล้วมัน มันวานก็ต้องวานในที่ลุ่มเชะมากกว่าตั้งกต่วานวานวานไปในที่ลุ่มแต่บางทีมันก็ไปค้างไม้บางไปค้างกิ่งไม้บางอไปค้างก้อนหินบางถ้าอันไหนไปค้างก้อนหินแกไปว่าเม็ดข้าวเม็ดนั่นก่อไปว่าหมดเออันนี้เหมือนกันน่ะการวานพืชลงในดินเอบางทีก็ผิดวัตถุประสงค์บ้างอ่แต่ถ้าวานมากต่อมากไนดะ้แค่นี้อ่าวานมากต่อมาก ตัว น, นั้นก็ให้ผลตัว น, นี้ก็ให้ผลตรง น, นั้นก็ให้ผลเนี่ลายแหง่งลายหนให้ผลแต่บางคนมีเงินมากอยู่แต่ไม่หวานมากเนี่ยอดเมล็ดข้าวลงเม็ดหนึ่งใช่ก็นั่งคอยรับผลอยู่นั่นน่ะเอามันได้งอกเงยขึ้นมาก็ได้ข้าวเพียงรวงเดียวสองรวงเท่านั้นเองมันก็มาเดมาเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้หวานมากแต่ถ้าว่าข้าวเม็ดนั้น ไปตกใส่กิ่งไม้เลยไปตกใส่หินไม่ได้สังเกตเยลยเลยเฝ้าอีกต่างหาว่างั้นแเถอไม่ได้รับบุญกุศลอีกต่างหาไม่ได้รับผลอีกต่างหากการสั่งสมบุญเนี่ยนําสุขมาให้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าเนี่ยพอที่จะเห็นอะไรพอจะทําทําไปเลยสรุปแล้วก็คือให้เป็นสิงสิงปืนไวสักหน่อยว่างั้นแต่พอเห็นอะไรก็ทําไปเลย ถึงจะทำมากแต่เราก็ทำไปก่อนอสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าเเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอุปนิสัยของเรามีออุปนิสัยในการทำบุญทำทานเรามีพอเห็นพระประเจักพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์สาวกแห่มาบินทบาททีนี่เรามีอุปนิสัยในการทำบุญอยู่แล้วนะพอเราเห็นท่านเหล่านั้นมาเราได้ทำบุญเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะทีนี้่แหม่ยิ่งกว่า ถูกหวยแจ็คพอตปะงั้นเถอะอ่าทาวีคูณมากเท่าไหร่ท่านี่เกิดพบหน้าชา้าเกิดพบไหนไหนติดพบติดชาติจนถึงเข้าสู่นิพพานเพราะว่าการทําบุญกับพระพเจกกับพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาในพระไตรปิฎกก่อนที่ภาษาลิบุตรจะได้เป็นพระอัครสาวกในครั้งยิ่งใหญ่คืออะไร คือท่านภาษาลิบุตรเป็นลือศีเป็นลือศีท่านก็บํารุงพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้หาดอกไม้หาผลไม้ถวายพระพุทธเจ้าพระหันสาวกเป็นหมืน่นเป็นหมื่นองค์สรุปแล้วก็คือการทําทานจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาขอให้ข้าพุทธเจ้าเป็นอัครสาวกองค์หนึ่งในอนาคตจากนั้นก็หาคิดถึงเพื่อนคือโมกคลาเป็นเศรษฐี เข้ามาหาสิทธิซักชวนอีกพระโมกคลาก็ตั้งประาขึ้นมานิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์อีกเป็นหมื่นมาถวายพระตาหารถวายจะถูกปัจจัยเจ็ดวันกระตั้งความปรารถนาขอให้ข้าพระองค์เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพระฤาษีเป็นอัครสาวกข้างขวาพระโมกคลาเป็นอัครสาวกข้างข้างซ้าย จากนั้นก็ท่านก็เวียนไหวตายเกิดมาพบนิชาตินี้กับพระพุทธเจ้าวันนี้ต้นเหตุที่โมกขลาและสาริบุตรจะได้เป็นอั克拉สาวกของเราได้ทําบุญครั้งนั้นเป็นครั้งยิ่งใหญ่ถ้าแต่ตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างนี้จึงได้มาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเป็นมาของพระสาวกแต่และองคนะ์เป็นมาอย่างนี้นะโดยมากพิจัดเรื่องทําทานทําทานเป็นพื้นฐานทานสิงภาวนาเนี่ยนะ ทั้งสมอย่างเนี่ยเป็นบอกเกิดแห่งบุญกุศลเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะอย่าประมาทแต่ว่าข้ายังแข็งแรงไม่มีอะไรหรอกอย่าไปหาคิดอย่างนั้นนะ แ, แ, แปลว่าพว้นั้นตั้งอยู่ในความประมาทไม่มีใครที่จะอยู่ค้าฟ้าดินสลายไปได้สรุปแล้วเพราะนั้นให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้ดีที่สุด จับพารองกาวินิมุตตสัปสันตา